ขอความเจริญในธรรมจงมีแด้ท่านผู้ฟังทั้งหลายตะรมพระโพธิญาณได้นำเสนอความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในช่วงที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์มาตามลาดับก็ได้พูดมาถึงช่วงที่สมบัาบำเพ็ญทุกการกิริยาด้วยประการต่างๆตามที่ รับสั่งเล่าไว้ในมหาศีนาจัสูตรเป็นการรับสั่งเล่าแคร์ประสาริบุตรเทระแต่เราก็เป็นการยกตัวอย่างมาให้ดูบางตอนนั้นเองเพราะว่าที่ทรงกระทาบาเพ็ญก็สะท้อนภาพของการประพฤติปฏิบัติของนักบวชในยุคในสมัยทรงนั้นว่าค่อนข้างเจ้าวิจิตพิสดาร จะไงก็ตามต่อมาเขามาส่งสรุปการบำเพ็ญทุกขรกิริยาโดยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าชีวิตของคนเรานั้นเป็นหน่วยย่อยที่แยกมาจากหน่วยใหญ่ซึ่งเรียกว่าม า, าตามันบ้างปรามาตามันบ้างอัตามันบ้างพร ม, มันบ้างแต่ยุคสมัยของพระพุทธเจ้านี่จะหนักไปในทางพระพรม คือเป็นตัวเป็นตนแล้วเพราะว่าตัวดูในพระสูตรต่างๆเช่นพระกสูตรที่พระเจ้าเสด็จไปทรมานประกาศพรหมซึ่งไปหลงเข้าใจว่าโลกและชีวิตเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนโดยมองจากพวกพรหมทั้งหลาย27สตนด้วยกันแล้วก็คำสอนในสมัยนั้นก็ใช้คำว่าพรหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในอักคันยสูตรทิพุตเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องความเชื่อถือของพรามในสมัยนั้นที่ถือว่าพวกพรามนั้นเกิดมาจากโอดของพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างแล้วก็เกิดมาจากโอดของพระพรหม เราก็ทรงแสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นพว oh. รกรามก็ oh. ก็เป็นคนธรรมดาเนี่ย oh. เกิดจากท oh. ่งคลอดของมารดาเหมือนกับคนรู้ทั่วไป oh. แต่คำกล่าวของพวกพรามเนี่ยเราก็เจอเป็นอันมากนะที่โอ้อวดสถานะของหมาพรมโดยวิธีการต่างๆมีคำที่ใช้ เช่นเป็นอนาธิแปลว่าไม่มีเบื้องตน้นแปลว่าอนันตะแปลหาที่สุดไม่หาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วก็เป็นผู้รังสดิค์สรพรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมาในโลกก็แสดงว่าพัฒจาการความคิดตรงนี้ก็สะสมอยู่ในสายเลือดของพวกอารยันแล้วว่าจริงจริงก็สะสมอยู่ในจิตใจของบุคคล จำนวนมากในโลกนี้เพราะนวธีการที่จะทำให้จิตเป็นอิสระก็คือการทรมารร่างกายโดยวิธีการต่างๆนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่มาทรงกระทาในตอนหลังคือถ้าดูแล้วคล้ายๆจะเป็นการปฏิรูปเพราะว่ามีอาการขอนการเก็บเล็กผสมน้อยมาจากส่วนต่างๆคือไม่ใช่ใช้ไปแนวเดียว แนวใดแนวหนึ่งที่ปรากฏในพุทธวิซึ่งสมเด็จประมาสมาเจ้าทรงนำมารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงไว้ในี่เป็นสามตอนแต่อย่างที่บอกไว้ว่าในมหาเสียนาทรนั้นจะพิสดารมากก็แสดงว่ารวบรวมไว้เฉพาะช่วงที่ก่อนจะจัดสรุั น, นั้นเองก็ว่าไว้สามข้อ ว่ารแรกเนี่ยทรงอาฟันกับฟันมากดกันก็อเอาพระทนมากดพระทนเอาพระชิวหามาดันพระตาลุไว้พูดเป็นไทยง่า ย, ายๆก็คือว่าเอาฟันกับฟันมากดกันแล้วลิ้นไปดันเพดานเอาไว้ก็ดันอย่างแรงแล้วขวานก็กัดอย่างแรงเราลองท ด, ดลองดูก็จะประสบทุกเวทนาไม่ใช่เบา เพราะประสาทส่นต่างๆในร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ตามปกติโดยเฉพาะในช่วงศีรษะมีลักษณะการขมห็งของเส้นประสาทเระทงทารรมก็สุงตรวจสอบดูก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในพระทัยของพระองค์ก็มีแต่ทุกข์กระทุกเพราะว่าตามหลักการแล้วเนี่ยกายกระสรับกระสายจะให้จิตสงบมันไม่ได้ รูปกายกับจิตเป็นอีกังาสยซึ่งกันและกันแต่นั้นในที่สุดก็ทรงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวิธีมาผ่อนกลั้นลมหายใจเข้าออกซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแนวตัวนี้ที่จริงคือแนวของโยคะโยคะของท่านปรตตัญชลีเนี่ยมีการเปล่งเสียงมาจากข้างล่างคือจากจากในท้องเลย เรียกว่าเล่นปลานคือเล่นลมบางทีก็สูดลมเข้าไปคล้ายๆกับเป่าวีดเป่าวูดอะไรนี่นะคือไม่น่าเชื่อว่ามีเสียงออกมาได้ออกมาคล้ายๆกับเปา่ากับเปา่าเปา่เปาวูดหรือเป่ากับเขาสัตว์แต่นี้ก็ไปอั้นลมหายใจเอาไว้โดยไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ลมหายใจนั่นเดินไปตามปกติ อัานไว้นา น, านเข้ามันก็ปวดพระเศียรเสรียดอุปราอุทรร้อนในพระกายเป็นกนําลังลมมันขึ้นขึ้นเบื้องบนทําให้ปวดประเศียรก็เสียดในท้องนะฮะลมมันก็ปวดอยู่ในท้องแล้วก็ทําให้ร้อนแผวทางผิวพระวรกายพระวรกา ย, ยิ่งกระสับกระส่ายมากยิ่งขึ้น แล้วในที่สุดก็ทรงมองเห็นว่าคนที่ทำความเพียนขนาดนี้มันมีไม่ถึงพระองค์หรอกพระองค์ก็ทำถึงที่สุดแล้วถ้าจะมีการบรรลุมรรคผลก็บรรลุได้แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ทุกขเวทนามีแต่ปวดหัวปวดท้องแล้วก็ร้อนตามผิวกายทั้งหลายคือสรุปว่าร่างกายมันก็ไม่เป็นไปตามปกติ ถูกบีบกดด้วยวิธีการต่างๆแล้วเป็นปฏิกิริยาที่หนุนเรื่องกันไปด้วยในการต่อมาก็เปลี่ยนเป็นวรรษที่สามคือทรงอดภะกษยาหารโดยวิธีการผ่อนเสเวยลงไปแต่น้อยโดยลำดับเวลาท่านพระตกราจารย์อธิบายก็นึกไปออกเนกันแนนะ่น่ะว่ามันจะสวยก็ไปได้ยังไง เดเม็ดข้าวเพียงเม็ดเดียวเนี่ยพาเป็นสี่ส่วนแล้วก็เสบยเพียงหนึ่งส่วนเธอไปติดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าทรงธรรมอย่างสุดๆที่มนุษย์จะสามารถทำได้แต่าร่างกายมันก็คือร่างกายนะขาดอาหารแล้วสัตว์โลกมันอยู่ได้โดยอาหาร ด้านข้านด้านข้าวเนี่ยมันก็พายผอมลงมาอย่างรุนแรงจนพระอัติปรากฏทั่วป ร, รากายพระโรมาเนี่มีรากเน่วขนนี่มีรากเน่าแล้วก็ร่วงเอามือไปลูบดาผิวก็ร่วงแล้วก็ในที่สุดมันก็ไม่มีแรงสเสด็จไปไหนก็ส่วนล้มจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ล้มสลบ พระปันวคีทั้งห้าซึ่งเฝ้าตามเสด็จอยู่เราคิดว่ากำลังจะได้บรรลุแล้วมาถึงตรงนี้ก็ทำให้นึกถึงคนยางยุคสมัยนะฮะอย่างเช่นสังคมไทยเรานั้นก็นิยมเล่นหวยกันคือบทครั่งหวยบ้าหวยกันจริงๆนี่อะไรมันขอตีเป็นหวยไปหมดไลยขนาดลูกชัก ก็ดูมันจะชักออกเป็นเลขอะไรลูกจะตายไม่ตายแล้วขอดูมันจะชักออกมาเป็นเลขอะไรพอแม่เจ็บใข้ไม่สบายก็ชักชักดิ้นชักงอก็จะขอดูซสก่อนจะออกมาเป็นเลขอะไรนี่เป็นลักษณะของความยึดถือในลักษณะหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็โดยมีความเชื่อมั่นในแนวในแนวลักษณะยึดโยง ด้วยความคิดในแนวยึดโยงเนี่ยเป็นความคิดที่น่ากลัวหมายความถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างนี้ก็ไปปลูกไว้อย่างนั้นก็โดยความเชื่อถือของท่านปัญญวคีเองท่านบอกว่าคนจะศัสรู้ก็ต้องเกิดขึ้นจากการทรมานร่างกายให้เจ็บปวดสาหาัสถ้าไม่ทรมานร่างกายจะปวดสาหัสแล้วก็จะไม่สัจสรู้ เป็นลักษณะของความคิดที่ผูกยโยงก็จะเห็นว่ามันก็แนวความคิดเหมาโหลทั้งหลายในโลกนี้นะเห็นสมมติว่าคนบางคนเรารู้สึกว่าเขาไม่ดีแล้วก็เหมาว่าไม่ดีตลอดเวลาพูดถึงหรือแม้จะพูดด้วยเนี่ยก็พูดไปในทางนองไม่ดีกับเขาต่อเขา แล้วในที่สุดก็กลายเป็นอัคติแต่นี้มันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นอุปาทานเป็นลักษณะของอุปาทานคือยึดติดพอถ้าไปแยกออกแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามที่ท่านหวังเอาไว้คราว น, นี้เราลองสังเกตว่าอะไรก็ตามที่ท่านไปผูกโยงเอาไว้มันจะเกิดอาการสยบ กับสิ่งที่ท่านไปปลูกโยมยกตัวอย่างเช่นความเชื่อว่าหลวงพ่อบางรูปเนี่ยบอกหวยแม่นเพราะฉะนันเวลาเราไปเพื่อจะขอหวยกับท่านหลวงพ่อรูปนั้นขยับตัวยังไงก็ตามเราพยายามตีเป็นหวยไปเรื่อยๆแล้วตีไปตีมาเนี่ยมันก็เลขแค่สิบตัวนะหมุนไปหมุนมามันก็ถูกก็ทียังไง ประตูกะทิก็ยึดโยงเลยเนี่ยหลวงพ่อใบหวยแม่นแล้วก็ไปพูดว่าตัวเองถูกหวยเพราะหลวงพ่อองค์นั้นใบให้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต่อมาก็ก็ไปเรื่อยแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็ผิดนะแต่พอผิดเนี่ยเราจะไม่โทษหลวงพ่อแต่เราจะโทษเราว่าแหมหลวงพ่อในใบตรงเผงเลย เราโง่เองเราตีไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าตอนเราตีเนี่ยมันหวยมันออกแล้วหวยออกแล้วก็พยายามคิดให้ตรงกับหวยแล้วในที่สุดมันก็โทษตัวเองความกระตุนั่ถือต่อหลวงพ่ออย่างอยู่เหมือนเดิมนั่นคือลักษณะของการยึดโยมมันจะกลายเป็นอาการสยบแล้วก็ยอมจำนวนคือถ้าจะผิดนี่เราผิดไม่ใช่หลวงพ่อผิด นั่นก็คือความคิดในแนวของอุปาทานที่ยึดติดทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ที่จริงมันเป็นลักษณะของจิตถูกปาทานด้วยแล้วก็เป็นศีลปฏตุปาทานด้วยคือทั้งสองอย่างนะมันยึดติดตัวอำนาจของความเห็นความเห็นก็ไม่เค่อยใช่เหตุผลสติปัญญาอะไรแต่ว่าเป็นการสะสมเป็นการสะสมอยู่ในจิตสันดานแล้วก็ยอมจำนวนต่อสิ่งสูงสุดเหมือนกัน แล้วก็มีความปักใจขวังใจเอาไว้ว่าตรงนี้คือมรรควิธีที่จะนำตนเข้าไปสู่ผลตรงนั้นวันจึงไม่กล้าคิดไปอย่างอื่นก็ปล่อยให้พระโพธิสัตว์สลบไปเลยนะก็ะบารดีก็มีเด็กเลี้ยงแกะก็มาเห็นขาเขาก็เอาใบใบญาคาเนี่ยจุ่มน้ำนมแล้วก็ยอดลงไป พอว่าเริ่มฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ถวายน้านมแต่เขาก็ไม่ได้คิดอา่าระู้เจ้าเป็นใครเ่างไม่รู้จักหละเเป็นนักบวชคนหนึ่งเท่านั้นเองก็ในที่สุดก็ฟื้นขึ้ น, นมามันเป็นบทเรียนจากการสัมผัสตรงเราสังเกตว่าเป็นวิธีการที่ควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างอย่างยิ่ง ในการดินยันด้วยการปฏิเสธอะไรของใครอย่างไรก็ตามเราปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้สื่อต่างๆเป็นเครื่องตัดสินมินิจ่ายวันก่อนยังอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ก็พูดถึงเรื่องเลือกตั้งผัว่ากอตมหน้าบรรณาธิการน่นะโอ้โหเราไปเห็นว่าไมใจคอหนึ่งเหลือกำนมั้งิี คือเขียนเนี่ยมันแสดงให้เห็นอคตินี้ชัดๆแต่จำเป็นต้องเขียนใช้คำว่าคะแนนเหยียบล้านคำว่าเหยียบล้านเนี่ยคือไม่ถึงล้านนะเหยียบพันเนี่ยคือไม่ถึงพันก็มันใกล้ๆเข้าไปแต่นี้คะแนนก็ได้ตั้งล้านหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นไปเราก็พูดจะใช้คำว่าเหยียบล้าน นั่นเคยแสดงว่าพยายามจะบัญทอนอะไรตีลานิสเทียนหน่อยก็บันทอนลงไปตลอดเรื่องเนี่ยนะทัางหน้าหน้าบรรณาธิการว่านโอ้โหมนุษย์นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนั่นคือเราพูดด้วยความปักใจมาความว่าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาดียังไงก็ขอตัดรอนลงมาหน่อยก็แล้วกันเนี่ยเคยดีน้อยลงหน่อยเพราะว่าจะไปพูดไปเจริญประเจ ร, ร, เจริเกินไปมันก็ไม่ได้นะอันนี้มันเป็น สิ่งที่ทุกคนเขารับรู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะในลักษณะความคิดในแนวนี้คือมันจะออกมาถึงเอียงแต่มันจะเอียงแนวไหนล่ะอ่าอย่างพวกปัญญบคีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเอียงแนวโมหะกติอเอียงเพราะความไม่มีเหตุผลเพราะถ้าหากว่าเราคิดดูให้ดีเนี่ยคนที่ทรมาร่างกายอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยมันสาหัสสากันนาะนฮะัลโหลเชลเล็ต่ะ บางคนนอนบนหนามบางคนก็กำมือบางคนก็ยืนขาเดียวบางคนก็หัวลงบางคนก็กำมือจนเล็บมันงอกออกมาทะลุหลังมือเป็นต้นเนี่ยบางคนก็กลิ้งหมุนตัวไปจะไปไหนเนี่ยไม่ยอมเดินก็หมุนตัวไปเลยมันสารพัดของทุกกะกริยาในสมัยนั้นนะเพราะนั้นถ้ามันอำนวยผลให้แล้วคนนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนั้นอยู่หรอก แต่ปัญหาสําคัญที่น่าคิดก็คือว่าทําไมเบียดเบียนตัวเองทําไมเพราะสัตว์สังคมที่มันมีปัญหาเนี่คือเบียดเบียนตนเองกับเบียดเบียนบุคคลอื่นนะที่มันสร้างปัญหาเนี่ยทีนี้คนคิดจะแก้ปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาแก่ตัวเองมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่เนื่องจากเป็นความคิดที่ยอมสยบเป็นกล่าว ปัญญาย่ำีก็ไปคิดหมายเอาในลักษณะว่ากำลังจะบรรลุแล้วกำลังจะบรรลุแล้แต่ว่าภาคสนามนี่ท่านเองไม่ได้สัมผัสท่านเองก็เป็นกองเชียร์อยู่มันก็เหมือนความก็คล้ายๆกับมวยแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีนะฮะพวกเชียร์มวยแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีเราไม่ได้ต่อเองเลยไม่รู้ว่าภาคสนามจริงๆนี่มันเป็นยังไงแต่พระโพธิสัตว์เนี่ท่านเห็นไม่ว่าในช่วงของการ เอาฟันกับฟันมากดการเอาลิ้นนั่นเพดานหรือช่วงผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกหรือว่าช่วงที่อดกอาหารเนี่ยอดอาหารนี่มันเหมือนกันแล้วมีแต่ทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์ทุกขเวทนาปรากฏอย่างต่อเนื่องไม่ไม่มีความสงบจิตยิ่งเด้นยิ่งดิ้นยิ่งกระสับกระส่ายยิ่งมีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะคนต้องการความสุขเอาทุกแสนสาหัสมาลงเนี่ยมันมาลงทุนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ นันจะสัมผัสจงต่งนี้ก็ทำให้ร่วมในคิดท่านบอกว่าต่อมาเนี่ยก็ไปคิดถึงสายพินแต่หนังสือแต่ที่แบ่งทวีปเอเชียซึ่งมีอิทธิพลของมายาญอยู่ไม่น้อยนะแล้วก็บอกว่าก็ได้ยินเสียงพิน หนังสือบางแห่งบอกว่าท้สกะเทวราชมาดีพินให้ฟังเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ได้คิดนะแต่ว่าหนังสือประท่ทศแผงตะวีปเอเชียเนี่ยท่านเขียนเป็นคำกรอนไปด้วยว่าพินนั้นแหละไม่จะดีดธรรมดาคือดีแล้วก็ร้องเพลงไปด้วย แต่ความเมื่อดีดพินจะประบรําจองทำสายพอให้พอดีถึงนักสายมาขาดเพลงพินาศหมดเสียงสายหย่อนนักสายหมดไปจงทำสายพอดีความคิดนี้มันก็วูบเข้ามาก็เป็นภาคสนามเป็นประสบการณ์ตรงของเจ้าชายเองพรอเจ้าชายมีความจะนิชนาในการดีดพินพอได้ยินประโยคตรงนี้มันก็ชัดเจนนะฮะ แล้วก็นำมาวิเคราะห์ตัวเองไอ้ น, นี่คือเรื่องใหญ่มากหรือตามปกติแล้วคนเราจะไปวิเคราะห์ตรวจสอบคนอื่นอย่างพวกจะชำนาญประวัติศาสตร์เนี่ยนะที่ในสมัยเด่กเอาหาเสียงเดือตั้งกันหลายพวกหลายหมู่ได้เกิดเมื่อก็แปลกดนะีคือเรามองเออนักวิจัการของเราเนี่ยมันมองจะพาะวิชาหรือไม่มองคุณธรรมหรือไม่มองจรรยาบรรณ ความประพฤติของตัวเองนะเป็นยังไงคือถ้าจะชำระมันต้องชำระใจที่อคติตัวเองให้ได้เสียก่อนนะเวลามันผ่านมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วแล้วก็ไม่ต้องชำระหรอกคนอายุสี่สิบแปดปีเนี่ยเรียบขนาดสี่สิบแปดปีนี่นะเกือบยี่สิบสิบ้าสิบสี่สิบ้าปีเนี่ยพอ ร, รู้เรื่องอะไรแต่เอาขนาดทัก2ยี่สิบแล้วจะรู้เลยเลยนะถ้าไม่ลำเอียงเกินไป ถ้ายอมรับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเหตุการณ์ตรงนั้นมันไม่ต้องไปชำระอะไรใจชำระใจคนที่มันเอียงนะจะมาใจคนที่มันเอียงแล้วก็ตกลงว่าถ้าคนอื่นทำแล้วก็ผิดหมดแต่ถ้ า, ถ า, ถ า, ถาตัวเองทำแล้วก็ถูกหมดแล้วพอบทจะชำระเนี่ยไม่ดูว่าตัวเองนะอคติเรคิดจะชำระคนอื่นแล้วสุดมันก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอก แล้วไม่ไม่ใช่มองธรรมดานะคือมาอยัางนึกว่าเออเราอ่านหนังสือพิมพ์อ่านอ่านวันสองฉบับกันนะแล้วแต่ตมาชอบอ่านบทความเจ้า อ, อ่านหลักวิชาการต่างๆนะคือเรารู้สึกว่าเออนักวิชาการถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นเนื้อหาวิชายอาคนก็ไปเกี่ยวนะฮะถ้าไม่เอาไม่เอาคนก็ไปเกี่ยวแล้วเนื้อหาวิชานั้นจะบริสุทธิ์มาก แต่พอคนก็ไปเกี่ยวแล้วเป๋ทุกทีเลยนั่นคือปัญหาใหญ่ที่น่าจะพิจารณาทบทวนเพราะอะไรเพราะว่าเอาตัวเองเป็นฐานมันก็เหมือนกับอะไรหละ่ะเหมือนกับท่านปัญญวคีเนี่ยท่านเอาตัวเองเป็นฐานท่านเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างนี้คือถูกต้องแล้วเมื่อเจ้าชายไปทำอย่างอื่นก็อย่างอื่นก็ไม่ถูกต้องอันนี้เห็นไหมคือปัญหา ปัญหามาจากโครงสร้างเดียวกันคือกลายเป็นอุปาทานคือยึดติดมันเป็นอะไรละ่ะที่จริงมันเป็นอายตนะเป็นผัสสะเป็นเบทนาเป็นตัญหาเป็นอุปาทานมาตลอดนะพบอยู่ภายในจิตขั้งท่านมันเป็นพบอยู่ภายในจิตใจขั้งท่านแล้วพวกนี้ยมันก็เกิดเป็นความอยากที่จะเห็นเจ้าชายบรรลุโดวยวิธีอย่างนั้น เห็นบางการมันเขี้ยวกมอยู่ภายในพระไทยภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยพระไทยท่านแจ่มใสท่านไม่ได้ปักพระไทยล่วงหน้านะคือพิสูจน์ไปคล้ายๆกับอะไรล่ะคือวางแผนไปในแต่ละขณะแล้วก็ดูมันแต่ละขณะไอ้ชัดเจนในแต่ละขณะไม่จำเป็นคาดหวังวันนี้คือทางแห่งความสมเร็จไม่ใช่อย่างนั้นสมเหตุไม่สมเหตุมันก็คือทดลองดูดต่นั้นเอง เันลักษณะของอุปาทานเนี่ยจึงไม่ได้มากมันก็มีบ้างไงนะตอนนั้นยังไม่หมดกิเลสแต่ไม่ได้มีมากแบบท่านตันปัญญวคีท่านปัญปญวคีเนี่ยปล่อยปะละเลยขนาดว่าสลบไปแล้วยังคิดประกำมังจะบรรลุนั่นคือสิ่งที่มีปัญหาว่าทำอย่างไงการเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรก็ตามอย่าปักใจใบ้างเกิดไป ตัดใจมากจนกลายเป็นยึดมั่นหรือมั่นไปนยึดติดในเรื่องเหล่านั้นแล้วในที่สุดมันก็ตัวเองไปตอกตรึงไว้ในที่ใดที่หนึ่งอย่างในเจโตขีรสูตรพระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงความรู้สึกที่เหมือนกับตะปูถึ่ตอกตรึงจิตใจของบุคคลเอาไว้คือความเรียบแครงสงสัยในรพระพุทธเจ้าประทัประสงค์ในไตรติีขาแล้วก็เป็นคนมักโกรธ หรือแม้คนมากโกรธเนี่ยจะผูกโกรธจะเครียดข้านชิงชังจะอาฆาตล้วก็แสดงความเป็นผู้ดีด้วยการอาฆาตคนอื่นนะฮะจองล้างจองฝันคนอื่นชี้หน้าชี้หน้าคนอื่นผิดแล้วฮะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยตัวเองเป็นในผู้กล่าวหาแตนเอกไปชี้ผิดเขาแล้วกล่าวหาเขาแล้ฮะแล้วก็ตั้งทําตัวเป็นสารดีกาเลยแั่สินเขาว่าผิดแล้วคือยังนึกว่า ในวงวิชาการเราถ้าขืนอยู่อย่างเนี้ยเราแก้ปัญหายากมากเพราะอะไรเพราะว่าคุณธรรมภายในใจเนี่ยเราไม่มีโดยตัวของเราเองแต่เราก็พยายามเกณฑ์นในคนอื่นนั้นมีแล้วเราก็กลายเป็นสูงของความถูกต้องกลายเป็นทิฏฐุปาทานกลายเป็นสีรอบตุปาทานกลายเป็นอัตวาตุปาทานอุปาทานมาเลยเยอะเลยนี่คือสิ่งที่ที่น่าคิดอยากลีลาชีวิตของ การตัดสินการมองปัญหาจุดเดียวกันระหว่างพระโพธิสัตว์กับพระวันวคีนะฮะซึ่งเผชิญสถานการณ์เดียวกันแต่ปรากฏว่ามองคนละแนวเลยทุกฟังทนายใต้ร่มพระโพธิานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไพ่บูญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดย่วกกันสวัสดี